ขอความสุขความเจริญจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประพุทธิยานกำลังเสนอในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระพุทธสั์ยังไม่ได้สัสรุ้ทรงศึกษาค้นคว้าทางสัสรุโดยวิธีการต่างๆจะมาวันนี้ก็จะประรบถึงเรื่องที่ทรงแสดงแก่พระอนุรุทธกับ พ, กพวก ในกรณีนี้พระนุษทะท่านประรบเรื่องทิปจักสุหรือท่านเจริญสมาธิบริกรรมเพื่อทิปจักสุคือต้องการติดต่อสื่อสารกรับตัวเทพทั้งหลายแต่ก็มีปัญหามาโดยลำดับพระเจ้าเสด็จไปเยี่ยมแต่ก็กราบทูลให้ทรงทราบก็ทรงสแสดงถึงสิ่งที่ ท, ทรงสัมผัสมาโดยพรุงเองสมัยที่แสวงหาทางศัสรู ถึงสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคอันตรายต่างๆกล่าวโดยสรุปก็คือพวกกิเลส ท, ทั้งหลายที่ปรากฏตัวออกมาในลักษณะต่างๆเนี่ยทำให้มีปัญหาในภาคสนามหรือสิ่งที่ปรากฏแล้วกลับเลือนหายสิ่งที่เลือนหายกลับปรากฏปรากฏอยู่ได้ช่วงสั้นบางช่วงยาวบาันก็ามาถึงช่วงหนึ่งรับสั่งว่าดุกอรนรุธทั้งหลายเรารู้แจ้งชัดวิจิกิจฉา เป็นต้นนะฮะว่าเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละแล้วซึ่งวิจิกิจสาเป็นต้นเหล่านั้นอันเป็นอุปกเกเรสแห่งจิตเสียเรื่องวิจิกิจสาคือความเครื่อนแปรงสงสัยนั้นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แก้ไขา ย, ยากเพราะว่าในจุดที่เราควรใช้ศรัทธาเราก็ไม่ยอมใช้ในจุดที่เราควรใช้ปัญญาก็มีไม่มากพอที่จะใช้ แล้วก็ไม่พยายามอบรมฝึกปรือให้มันเกิดปัญญาหรือพร้อมที่จะน้อมใจเชื่อเพราะวิกิกิฉาจึงกระจัดได้ทั้งด้วยศรัทธาแล้วก็ด้วยปัญญาหรือบางเครื่องบางเรื่องนะฮะเราก็ทุ่มเทลงไปให้แก่คนซึ่งเราศรัทธาเช่นเราไปสวนโรคกับหมอ หมอาอาจจะวินิจฉัยอย่างนั้นสั่งการอย่างนั้นให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ทำตามตัวแสดงว่าการทําตามเหล่านั้นเกิดขึ้นจากศรัทธาเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นหมอแต่การศึกษาปฏิบัติธรรมในทางวิชาณ์นาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคือว่าถ้าเราเชื่อมั่นในการสัตรูของพระพุทธเจ้ามันมีปัญหาเป็นนั้นมากที่เราต้องใช้ศรัทธา เพราะว่าพลังแห่งปัญญาเรามีไม่มากพอวันก่อนไปปาตกถาที่ต่างจังหวัดก็ตอนกลางคืนคงฟังส่วนใหญ่ก็เป็นพระเป็นชีแล้วก็มีช่วงของการตอบคำถามก็ตอบคนถามกันมามากพอสมควรมาถึงจุดหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่พุทธสมาคม คือมาถามมาการสอนเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวนี้โลกมันเจริญไปถึงไหนถึงไหนมาแล้วการมาพูดเรื่องสวรรค์แม่พวกกรัรังก็บอกว่าสวรรค์ไม่มีเราก็ตกใจว่าเออชาวพุทธเราเนี่ยเป็นสมาชิกของพุทธสมาคมแล้วก็ผ่านการบุญเรียนมาแล้วแต่ก็ไปให้ความต้องการแก่กระรังเนี่ยมากกว่าพระพุทธเจ้า การพูดไปเศษเรื่องสวรรค์วิมานในห้วงอวกาศของจอร์นเกรนนานแล้วนะฮะตั้งร่วมสามสิบปีแล้วสมัยยานะผพโลกลำที่หกจอร์นเกรนที่จริงไม่ได้ลงที่ดวงจันทร์นะฮะนี่นำสองไปผลลงจอร์นเกรนก็เพิ่งขึ้นไปอีกเที่ยวหนึ่งเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยแกก็บอกว่า ไม่ได้พบสวรรค์วิมานตามที่ทางาศาสนาได้บอกไว้มันก็สงสัยว่ า, าศาสนาไหนสอนสวรรค์วิมานอยู่บนก้อนเมฆสวรรค์วิมานเป็นเรื่องของโลกอีกโลกหนึ่งก็เรียกว่าปรโรโลโกคือโลกอื่นโลกอื่นจากโลกนี้เป็นดวงดาวว่เช่นเดียวกับโอกาสสวรรค์ของเราเนี่ยหรือก็ อธิบายเขาฟังเราตั้งคอสังเกตเอาไว้ว่าเมื่อมันเกิดความขัดแย้งเนี่ยเราต้องมองว่าความรู้เรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏนั้นเป็นความรู้ระดับญาณคือหมายความว่าคนเนี้ยต้องผ่านการปฏิบัติสมาธิมาโดยลำดับแล้วขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยออกไปจากใจ หรือถ้าจับใดที่เจตจยังขุนมัวยังเศร้าหมองอยู่เนี่ยจะไม่มียาอย่างรู้ความจริงเหล่านั้นหรอกซึ่งถ้าหากว่าเราจะปฏิเสธเราก็ต้องดูสภาพจิตเราแต่ถ้าปฏิเสธก็ปฏิเสธไปโดยไม่ได้ดูที่จิตมันก็คล้ายๆกับพิสูจน์เปรีร้ยวหวานมันเค็มเขาพิสูจน์ด้วยลิ้น แล้วเราก็ดูด้วยตาและเราปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่มันไม่เค็มอย่างที่พูดกันมันก็เป็นการผูกกันคนละเรื่องแต่จะเห็นว่าในกรณีนี้มันถึงทางแยกที่เราจะเชื่อฝรั่งหรือเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพรั่งนั้นมีความรอบรู้เรื่องอะไรในเรื่องที่เกี่ยวกับสังสารวัฏเรื่องกรรมเรื่องโลกนี้เรื่องโลกหน้าเนะแล้วเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้มาความรู้ในเรื่องเหล่านี้ของฝรั่งเนี่ย ก็ที่จริงก็เป็นความรู้ระดับเบสิกคือเบื้องต้นดนั้นเองแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านผู้ได้ปัญญาเป็นต้นไปเนี่ยท่านก็รู้เห็นความจริงตรงนี้แล้วก็หลังที่เขาศึกษาค้นคว้าในเรื่องเหล่านี้เขาก็รู้ความจริงอย่างนั้นเพราะแต่เรายังมองไม่เห็นว่าความเครือบแคลงสงสัยมันเป็นโทวความเครือบแครลงสงสัยเป็นต้นนะฮะหมายความว่าพวกบรรดากิเลสทั้งหลายได้เกิดขึ้นครุม่มลมใจเนี่ย มันเป็นปัญหาอุปสรรคในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติอย่างในความสงสัยหกอแปดประการเนี่ยฮะเราลองสังเกตว่าแม้แต่อย่างเดียวนี่ก็ไปไม่ได้นะเช่นความสงสัยในพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าในกรณีที่เราไม่แน่ใจในเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏสงสัยทั้งพระพุทธเจ้าและสงสัยทั้งประธรรมและสงสัยทั้งพระสงฆ์และสงสัยทั้งใจสี่ขา นะสงสัยทั้งอดีตสงสัยทั้งอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตสงสัยหมดทั้งกิจปฏิจจสมุปาท์คือแสดงว่าดูนิดเดียวนะฮะแต่ที่จริงเลยเราสงสัยหมดเลยทั้งแปประการเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการเดียวกันพระพุทธเจ้านั้นทรงสัตรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยปัญญาทรงรู้เห็นเรื่องเหล่านี้ด้วยปัญญาแล้วก็ทรงสแสดงก็ออกมาในรูปของพระธรรมกับรูปของไรศิขา และสิทธิขานั้นเป็นมรควิธีที่จะนำคนให้ตบแต่งภพชาติของตนให้ประนี่ขึ้นไปโดยระดับยุดหลุดพ้นจากสังสารวัฏหมายความว่าลดหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส ก, ก, กรรมที่จะนำให้คนบุนบุนอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็พระสงฆ์เองก็คือคนที่ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมและตามหลักของใจสิทธิขาพระสงฆ์เป็นสักีพยาน ในเรื่องเหล่านี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นพระสงระดับพระยะส า, าวกระดับพระอาหารหันเราจึงเรียกวอนุพุทธะปรว่ารู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เห็นตามพระพุทธเจ้าเห็นแล้วระดับคนที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครเคยตั้งข้อสงสัยกับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมกับพระสงฆ์กับใจสิกขากับอดีตนาคทั้งอดีตนาคและในกฎของปัิจจการ เพราะปัญหาเรื่องความสงสัยตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่และมันเป็นอุปสรรคมากๆในการทําความดีในการลัความชัว่วเนี่ยคนเราจะทําอะไรก็ตามจะต้องมองเห็นผลในระยะยาวถ้าเห็นผลระยะสั้นๆหรือว่าผลมีไม่มากพอต่อการทุ่มเทใช้ความพยายามเนี่ยคนก็จะไม่ใช้ความเพียรดอกสมมุติว่าเรามีต้นไม้มาต้นหนึ่ง เอามาแจกคนนะฮะบอกแจกแจกต้นไม้คนละต้นคนละต้นบอกไปปลูกซิมันจะเกิดออกผลได้หนึ่งผลจะไม่มีใครเอาเลยนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้คุ้มไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากต้นไม้หนึ่งต้นกลายเป็นผลไม้หนึ่งผลเนี่ยไม่มีใครก็ปลูกหรอกแต่ว่าที่เขาปลูกก็เพราะต้นไม้มันให้ผลเป็นนันเนกันนันแล้วก็หมุนวนให้เป็นตลอดปีหลายๆายปี ตลอดชั่วยุคคนหรือถึงลูกถึงหลานถึงเหลนไปเลยคนจึงปลูกมะพร้าวจึงปลูกผลไม้ยืนต้นทั้งหลายเนี่ยการในบัติธรรมะเองก็มีลักษณะอย่างนั้นแม้แต่เรื่องปฏิจจสมุปาทซึ่งคงจะกล่าวพิสดารบอสมควรในช่วงต่อไปก็คือกระบวนการของกรรมกับกระบวนการของสังสารวัฏปฏิจจสมุปาทเราก็พูดเยอะนะฮะที่จึิงก็กิกเลส ก, กรรมวิบากแต่นั่นเองในสายเกิดนะฮะ ภาษาดับก็ดับกิเลสดับกรรมก็ดับผลก็ดับวิบากแล้วก็มีอยู่สองตอนคือคนเป็นความจริงของอสองด้านเป็นความจริงของเรียนสองด้านเมื่อหัวก็ไม่ก้อยเมื่อก้อยก็ไม่หัวดังนั้นจึงทรงสแสดงให้เห็นว่าพระองค์เองก็เจอปัญหาประสาคล่านี้แต่เมื่อเจอก็ทรงมองเห็นโทษชัดเจนนะฮะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปกิเลศ ข, ของจิต อุปกิเลสก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและทำจิตใจให้ขุณหมวดเศร้าหมองบางครั้งบางคราวแม้แต่เป็นการปฏิบัติเช่นความเพ่งต่อรูปทั้งหลายเกินไปเพ่งกันจนจนเครียดจนเซง็งจนเกรงไปเลยตลอดถึงพวกนี้พวกทีน้ามิถาความงงงาวนอนความไม่มนัสิการหรือว่าความเพียนที่ย่อหย่อน ความเพียนที่เคร่งตึงเกินไปแต่และอย่างเนี่ยแม้จะเป็นกุศ ล, ละธรรมรองสังเกตนะแม้เป็นกุศ ล, ละธรรมแต่ถ้าขาดความเป็นมัชิมาปฏิปทากคือขาดความเป็นทางสายกลางก็ไม่สาเร็จประโยชน์ในภาคสนามดังนั้นจึงรับสั่งเล่าในช่วงต่อมาว่าดูก่อนอนุรุธธาทั้งหลายหรือท่านอยู่กันหลายรูปนะฮะหลายรูปสามสี่สี่รูปด้วยกัน รุตพระภคุพระกิมพิละนะก็อยู่กัน ก, ก็ใช้คำว่าทั้งหลายบางทีก็สาริบุตรทั้งหลายนี่ก็มาความว่าเป็สาริบุตรประโมคกัาลานะแล้วก็บริวานแล้กสั่งว่าเรานั้นเมื่อไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปอยู่ย่อมจําแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปหรือย่อมเห็นรูปแต่จําแสงสว่างไม่ได้ เป็นดังนี้ทั้งคืนบ้างทั้งวันบ้างทั้งคืนทั้งวันบ้างความสงสัยเกิดขึ้นแก่เราว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปหรือเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ทั้งคืนทั้งวันบ้างทั้งกลางคืนกลางวันบ้างนะฮะบางทีทั้งกลางวันบางทีทั้งกลางคืนนี่นี่คือปัญหาประสาทที่ตองเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแกบุคคลทั้งหลายแม่แต่พระพุทธเจ้าเองลองสังเกตว่าถ้าเราเจริญสมาธินี่ มันก็ปรากฏนิมิตปรากฏเป็นแสงสว่างบางทีก็เห็นรูปในกรณีนี้ก็คือรูปเทวดานะเพราะว่าเป็นบริกรรมของทิพยจักษุแต่พระองค์เองก็เหมือนกันบางที่เห็นแสงแต่ไม่เห็นรูปบางที่เห็นรูปโดยไม่เห็นแสงบางทีก็สลับกันบางทีก็เห็นทั้งรูปทั้งแสงแต่ว่าระยะสั้นๆแล้วก็ดับไปนั้นก็แสดงว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่แน่แน่ไม่หนักแน่นไม่มั่นคง จะต้องปฏิบัติพัฒนาจิตต่อไปโดยลําดับดังนั้นจึงรับสั่งว่าดุกอรทธะทั้งหลายความรู้ได้เกิดแก่เราว่าสมัยใดเราไม่ทำรูปนิมิตไว้ในใจแต่ทำโอภาสนิมิตไว้ในใจสมัยนั้นเราย่อมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูป สมัสยใดเราไม่ทําโอภาษณิมิตรไว้ในใจแต่ทํารูปนี้ไว้ในใจสมัสยนั้นเราย่อมเห็นรูปแต่จําแสงไม่ได้ตลอดทั้งคืนบ้างตลอดทั้งวันบ้างตลอดทั้งคืนและทั้งวันบ้างคือว่าเป็นการเพ่งสองเรื่องนะเรื่องหนึ่งคือเพ่งรูปพอาเพ่งรูปมากข้าวมากข้าวเนี่ยจะเห็นรูปอยู่ตลอดเพราะรูปที่เราเพ่งแต่ว่าแสงมันไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้เพ่งโอภาษณ์คือแสงสว่าง ไม่ได้เพ่งอุปาทานิมิตก็แสดงว่าถ้าหากแกกระทำเนี่ยตรงการได้เหตุทั้งสองอย่างมันก็ปฏิบัติได้ทั้งสองอย่างแต่ประเด็นที่ควรสังเกตคือธรรมะตรงนี้จะมีความซ้ําอยู่ตลอดแล้วเราจะพบอยู่เรื่อยมีลักษณะอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนขนมไทยเขาว่าร่วมสามพันอย่างนะ แต่ว่าส่วนประกอบหลักเนี่ยมันจะมีน้ำตาลคือมีความหวานมีข้าวเหนียวแล้วก็มีกะทิก็จะปนอยู่ทุกชื่อของขนมธรรมะปฏิบัติในชีวิตของคนเราทุกลำดับขั้นตอนโดยส้ําไปนะจะต้องมีสติมีสัมผัจัญญะแล้วก็มีความเพียรเพราะสติเป็นตัวระลึกสัมผัจั ญ, ญเป็นตัวรู้ความเพียรเป็นตัวพลังขับเคลื่อน ไม่ได้เจาะจงในเรื่องธรรมะเพียงอย่างเดียวจะอ่านหนังสือจะทำงานจะรับราชการจะขับรถจะเดินเรือจะรีดผ้าจะซักผ้าจะถูพื้นจะปัดกวาดอะไรก็ตามเราลองสังเกตว่าธรรมะสามข้อเนี่ยต้องมีมีมากน้อยก็แล้วแต่ลักษณะางานแต่งานยิ่งประณีตขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีมากเป็นพิเศษเพราะในที่นี้ที่ทรงใช้คำว่าเป็นผู้ไม่ประมาทก็คือมีสติ แต่ในขณนะเดียวกันความประมาทเนี่ยมันจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่อยู่สามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มระดับศีลธรรมจัญยาทั่วทั่วไปนะฮะคนปกติแล้วก็เป็นอย่างนั้นเองคือเราครองชีวิตคล้ายๆกับเราจะมีชีวิตอยู่เป็นร้อยร้อยปีเป็นพันพันปีนะแล้รอยู่อายุตั้งเยอะแล้วแต่ยังประมาทยังประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรค คล้ายๆตนจะไม่ตายนะไอ้แก่มันก็แก่แล้วแต่ว่าปฏิเสธคล้ายๆตนเองจะไม่ตายนั้นแสดงเหตุตั้งความประมาทในวัยในชีวิตแล้วก็ในความไม่มีโรคบางครั้งเราไปเผาคนอื่นอุตสาหนั่งรถเข็นไปนะแต่ยังไม่ได้น้อมกับมาหาเราเลยไม่ได้น้อมกับมาหาวิเวังละโมเอวั ง, มมวงภาเวเวังอันนาติโต ธรรมชาติของชีวิตมันเป็นอย่างนี้สภาวะของเป็นชีวิตมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกมันไม่มีการน้อมเข้ามาและโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันคือตามปกติโดยหลักแล้วเนี่ยมันต้องมีการตรวจเช็คร่างกายอยู่ยังไม่มีอะไรในปีละครั้งหรือหกเดือนครั้งหรือสามเดือนครั้งก็สวจสอบร่างกายแต่คนไทยเราจะประมาท ถ, ถึงถือว่าเป็นเรื่องแปลก แต่จริงนะคือจะไม่ยอมไปโรงพยาบาลจะผัดเพี้ยนจะต่อรองจะขอร้องอยู่เรื่อยๆบางครั้งไปถึงโรงพยาบาลก็สุบทางที่จะแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโรคแรงๆนะฮะอย่างอาการของโรคเอกระดีอาการของโรคมะเร็งก็ดีอาการของโรคหัวใจก็ดีที่ลักษณะก็จะเฉียบพลันกบางครั้งก็ตายเวลารุนแรง รวดเร็วรุนแรงนั้นแสดงเหตุของความประมาทคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายกับความประมาทบางคนละเรื่องกันนะโดยจะเห็นว่าการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาว่าเรายอมรับสภาพความจริงของมันจะไปเล็งผลเลิศจะไปกาหนดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องไม่เป็นอย่างอื่นเราก็ บ, าบังคับเขไม่ได้หรอก แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องบางเรื่องเราควบคุมได้บรรเทาลดความรุนแรงเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่นึกถึงพระอรหันต์ท่านย่างต้องรักษาพระเจ้าเองทรงประชวนก็ยังต้องรักษาเพื่อใช้ร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมเท่าที่จะอยู่ได้ตอนที่ทรงพระเจราลงก็รับสั่งว่า ร่กายของพระองค์ก็เหมือนเกวียนที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่เกวียนที่จะบรรทุกน้าหนักได้อีกต่อไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ใช้พระวรากายซึ่งค่อนข้างจะซุดซูบลงไปนี่ปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นถึงคราวต้องเยียวยารักษาก็มีการเยียวยารักษามีบอนชีวกโกมาลพัดคอยตรวจสอบคอยดูแลพระองค์อยู่ นี่ก็คือธรรมดาขขงสังขารแต่จะไม่ใช่ปล่อยประละเลยไปตามธรรมดาราะคนที่ปล่อยปะละเลยนั้นก็ชอว่าประมาทแล้วอย่าไปคิดวันนี้คืออาการมายึดมั่นถือมั่นนะบางคนเราประเด็นกันคือเราเมื่อคนเรามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงแต่กลายเป็นของคนอื่นคือการอยู่ของคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นประโยชน์ จารที่สมเด็จพระนางเจ้ารักษาเรื่องครังสมองจะมาพูดมานานแล้วคือเราไม่เข้าใจวิธีคิดแบบชาวบ้านก็คิดเนี้โดยเฉพาะราชการคิดเนี่ยอะไร ก, ก็ก็เสียนไปด่าเลยคือมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยบางทีนี่คนมาอย่างเอาในคนร่วมสมัยกับเราเนี่ยคนอย่างคุณชายคคอกริชเนี่หาได้ง่ายเลตายไปแล้วเนี่ยหาแทนใหม่ได้หรือเปล่าวันที่ยี่สิบเจ็ด สิงหาคมเนี่ยก็ได้เผานักปราถทาศาสนาไปคนหนึ่งคืออาจารย์สุชีพปุญญาโนภาเรายังพูดกันนะเราพูดกันตั้งนานแล้วว่าอาจารย์สุชีพตายนี่ใครแทนละ่ะมันมีหาคนมาแทนได้ง่ายหรือเปล่าเพราะคนบางคนเนี่ยร้อยปีสองร้อยปีสามร้อยปีห้าร้อยปีเนี่ยไม่เกิดนะเพราะเมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ยต้องรักษาเอาไว้เป็นทรัพยากรของชาติ มันไม่ใช่เอากฎเกณฑ์อะไรมาวางไว้แล้วก็กเกษียณหมดแล้วเด็กโตขึ้นใหม่มันโตทันนะเปล่าสติปัญญาความคิดความอ่านประสบการณ์ความรอบรู้ความลึกซึ้งเนี่ยทันหรือเปล่าคือเคยมองแม้แต่ในหมู่พระเรานี่แนหะลองสังเกตว่าหลวงพ่อหลวงปู่บางองอายุตั้ง 90, เก้าสิบแล้วท่านก็ยังเป็นประโยชน์ยังเป็นปู้เชียบุคลของสังคม ชา บ, บ้านผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอันมากเตี่ยอายุเยอะๆแล้วแปดสิบกว่าแล้วยังเป็นหลักให้แก่บ้านแก่ชาติปันเมืองอยู่แล้วก็สมมติว่าท่านตายเราก็หาคนแทนไม่ได้หรือว่าอาจาร์ตามาวิทยาลัยมาวิทยาลัยหรือว่าแพทย์ที่มีความชมนาญแน่ น, นอนถ้าถึงแปดสิบเนี่ยคงไม่นั่นเราแต่ว่าไว้ปรึกษาไว้สอบถามว่เรียนรู้จากท่านไม่ได้แล้วาะมีคนหลายกลุ่มนะ มีคนหลายกลุ่มที่เราไม่ควรจา ก, กเกษียณ ง, ง่ายเพราะถ้าคนนี้ไปแล้วไม่มีตัวแทนจริงๆเลยถึงถึงมาก็มือไม่ถึงเพราะในกฎเกณฑ์บางอย่างเนี่ยถ้าไม่มีข้อแม้ไว้แล้วก็เสร็จในสุดเราก็จะขาดแคลนคนเหมือนเวรเนี่ยแม้คณะสงฆ์เราเริ่มจะมีการกเกษียณนะ มาก็เคยเตือนเขาบอกว่าไอ้กเกษียณมันก็ได้เราพูดกันมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าตำแหน่งบางตำแหน่งกเกษียณไม่ได้เราเราไม่มีคนมาทดแทนสร้างคนไม่ทันาศาสนามีคนหมุนเวียนนิดเดียวแต่นั้นเองนะเดือดขึ้นกเกษียณหกสิบแล้วก็เสร็จเลยยังมาวิทยาลัยบามงกุร า, ราวิทยลาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเนี่ยเข้าระบบราชการต้องกเกษียณนะอาจารย์ญญที่มีฝีมือต่างๆออกไปเยอะ แล้วก็ผลรุธานี่ผลเสียก็คือว่านักศึกษาเนี่ยแทนที่จะได้ความรู้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอนนั้นปัญหาเรื่องความความประมาทความคิดเดบือขาดสติคือไม่ได้มองอะไรรอบข้อรอบด้านเนี่ยที่จริงเรื่องของโลกของชีวิตเรื่องของอะไรก็ต า, ามธรรมะสาประการเนี่ยไม่ประมาทมีความเพียนมีตนส่งไปเดี๋ยวต้องเป็นหลัก หมาความมีสติมีสามัญจัญญามีความเพียรเนี่ยหละแต่ความไม่ประมาทที่ยกมาเป็นระดับศีลธรรมจัร ญ, ญาแต่มันปรากฏอยู่ในสังคมนี้มากจเกินดูข่าวคราวเรื่องราวต่างๆมันไม่น่าจะเกิดนะมันเกิดอย่างยานพานหนะใหญ่ๆเนี่ยเครื่องบินคองคอร์ดอย่างเนี้ย เคื่องบินโดยสารเครื่องบินเรือรบอะ ไ, ไรเรือใต้น้ําเรือดําน้ําตลอดทังหอกหอยที่โซเวียตติดคาคนตายไปเยอะเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องของความประมาทเพราะหลักการเหล่านี้เป็นหลักการตั้งแต่พื้นฐานเป็นเรื่องปัจเจติชนแต่ละคนแล้วก็ทํางานเล็กๆน้อยๆเนี่ยแม้แต่หั่นผักแม้แต่ล้างมือล้างเท้าเนี่ยแม้แต่เดินในห้องน้าําห้องท่าเนี่ย มันก็ต้องไม่ประมาทแล้วจนถึงโน้นแหละมรรคผลนี่ผ่านไปเลยก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทวันอยู่บนเส้นทางสายเดียวกับพระพุทธเจ้าในการนําเสนอพระพุทธวจนะเป็นพระสูตรโดยโตรงมาเนี่ยก็าภาษาจะเป็นภาษาบาลีไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องการให้เห็นว่าถ้าเราโดยเสด็จรอ ย, อยุคนบาดพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมีทางออกไว้ให้แล้ว แล้วพระองค์ก็แก้ไขให้เราดูแล้วด้วยต้องฟังหลายใต้ร่มพระโพธยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจุมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี